ท่านผู้เจริญทั้งหลายัตบนี้เรามาต้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่เอเผยประเกียตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนอื่นขอเชิญท่านทั้งหลายเตรียมนั่งสมาธิ มบบนี้เราเตรียมนั่งสมาธิตามแบบสบับคือได้นั่งขัดสมาธิเอาขาขว า, าทับขาซ้ายมือซ้ายวางลงบนตักเอามือขวาวางทับลงไปพะหัวเม่มือจะหลุดกันตั้งกายให้ตรง ดำรงสติให้มันคือตั้งสติไว้เฉพาะหน้านอนติดรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อันเป็นจรณะที่พึงที่ลรลึก และน้อมจิตน้อมใจรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ข, ของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอธิษฐานจิตให้พระองค์ทรงพระช น, นมายุยิ่งยืนนาน โดยพระกําลังแห่งการปฏิบัติทีปฏิบัติชอบของเราทรั้งหลายแล้วทําความรู้สึกในจิตของตัวเองว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในจิตของเราพระธรรมก็อยู่ในจิตของเราพระอริยสงฆ์ก็อยู่ในจิตของเรา พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงคณณรร์เป็นคุณธรรมเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตของทุกท่านทุกคนมาแล้วเพราะธรรมชาติของจิตเป็นธรรมชาติรู้ใครมีความรู้สึกสันนิษฐินชอบชั่วดี ถ้ายิ่งกว่านั้นมีสภาพระจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีคนพระพุทธเจ้าก็ะทำประสงค์อยู่ในจิตร้อมเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ด้เรียกว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเป็นจิตพุทธ พิติภพชาเป็นคุณธรรมเนิดหนึ่งซึ่งสามารถเกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติได้ทุกท่านทุกคนไม่เลือกว่าชนท่านชาติท่านวันนาใดถ้าเรามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทำสศีลสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์บริบูรณ์พร้อม จิตที่คนนของศีลสมาธิปัญญาที่เราปฏิบัติตามแนวทางแห่งสมเด็จตัสมาสัมพุเต้านั้นสามารปฏิวัติจิตของเราผู้ปฏิบัติให้ถึงสภาวะ่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้สมาธิมีดีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่ง เป็นผู้เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงธรรมชาติของผู้ที่มีความรู้สึกสำเนืกอผิดชอบทั่วดีจิตรู้ตื่นเบิกบานจะต้องมีเจสนาเป็นอนุอัตโนมัติ เราจะล่ทั่วเราธีทำจิตให้บริสุทธิาา์สะอาดจยูเสมอเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตของเมื่อคนของพระพุทธเจ้าและธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของเราโดยสมบูรณ์ ความรู้สึกจำนึกในละคุณของดิฎามารดาธรูบาอาจารย์ตลอดถึงพระราชามาหากษัตรผู้ปกครองบ้านเมืองก็ย่อมจะบังเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวในศาสนาพุทธหลักของการปฏิบัติ ที่แน่นอนที่สุดที่เรามองข้างในใจก็คือสีเมท่านได้สมาทานสีกายอยู่นิ่งๆเป็นกายปกติวาจาก็อยู่นิ่งๆเป็นเววาจากปกติความปกติกายปกติวาจาเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้จิต ของท่านมีความเป็นปกติเราจึงได้ชื่อว่ามีศีลทั้งกายวาจาและใจเมื่อเป็นะนังควาสมสงบของติดก็มีแล้วเป็นเดิมพันอย่างต่าำ50เปอร์เซ็นตดังนั้นขอให้ทุกท่านจงนึกในใจว่าสีลังปริสุทธธรรม สีลังมีบริสุทธิ์ทางศีลของเราบริสุทธิ์แล้วศีลของเราบริสุทธิ์แล้วศีลของเราบริสุทธิ์แล้วต่อไปกำหนดสติลูลที่จิความรู้สึกมีอยู่ที่ไหนจิตมีอยู่ที่ดัน ลองกนหนดจิตให้อยู่ว่างๆสักครั้หนึ่งอย่าเนื้อคิดอะไรทำจิตให้ว่างวาง่าแล้วคอยสังเกตตัวว่ขาขณะที่จิตอยู่ว่างๆอะไรปรากฏเด่นชัด ท, ที่สุดในขณะนี้ ลมหายใจใช่หรือเปล่าเมาื่อลมหายใจปรากฏให้มีสติรู้ตัวรู้ว่ามีลมหายใจคือรู้อยู่ในที่เท่านั้นแล้วก็กันดรู้ลมหายใจต่อไปโดยอาการเบา ไม่ต้องไปนึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยากลมหายใจละเอียดเที่ยงแต่กำหนดรู้อยู่เฉยๆเราเป็นผู้หายใจเองอีกเป็นผู้มีหน้าที่รู้แม้เราไม่นึกว่าลมหายใจสั้นยาวยาบละเอียด จิตเขาจะรู้เองโดยอัตโนมัติแล้วเรากำลังตู้ลมหายใจเฉย อ, อยู่อย่าไปบงังคับลมหายใจอย่าไปแต่งลมหายใจอย่าบางังคับจิตให้สงบเพียงแต่ประคองให้อยู่กับลมหายใจ ลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานที่แน่นอนที่สุดเพราะพระพุทธองค์ก็ทรงปฏิบัติด้วยการเจริญอาาปานุสติกาหนดรู้ลมหายใจ ให้มีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเชยจะไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะรู้เมื่อไรจิตจะเห็นอะไรไม่ต้องท้งนั้นแต่ให้รู้ลมหายใจอยู่โดยปกติเรื่องความสงบ เกลื่องความรู้ความเห็นปล่อยให้จ็บเขาเป็นไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปตกแต่งเขาจะสงบก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะรู้จะเห็นก็เป็นเรื่องของเขาหน้าที่ของเราเพียงกำหนดรู้อย่างเดียวเท่านั้น อันนี้เป็นหลักและวิธีการปฏิบัติสมาธิตามหลักธรรมชาติสำหรับผู้ที่มีจิตยังไม่เคยเป็นสมาธิถ้าหากว่าจิตยิ่ลงลมหายใจไปคิดอย่างอื่นก็ให้เอามาหาลมหายใจอีก ทดลองดึงจิตมาหาลมหายใจอีกหลายหลายครั้งถ้าห า, ากกำหนดรู้ลมหายใจอยู่เพียงนิดเดียวจิตแวะไปเกิดความคิดขึ้นมาแล้วก็ดึงกลับมาหาลมหายใจแล้วก็แวะไปเกิดความคิดขึ้น ลองๆไม่ต้องดึงมาหาลมหายใจอีกปล่อยให้จิตคิดไปแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ถ้าหากสังเกตได้ว่าเมื่อจิตมีความคิดเรากำหนดรู้ถ้าจิตหยุดคิดแสดงว่าจิตจังไม่มีพลังงาน แต่เมื่อกำหนดรู้แล้วจิตไม่ยอมจุดแม้จะให้เขาจุดเขาจะไม่ยอมจุดแสดงว่าจิตมีพลังงานต้อมที่จะทำ ง, งานควรปล่อยให้เขาคิดไปเขาจะคิดไปเรื่อง อะไรก็แล้วแต่เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ปล่อยให้คิดไปอย่าไปตังคับข้อสําคัญให้มีสติตามรู้เรื่อยไปทีนี้เมื่อเราปล่อยให้คิดไปตามอําเภอใจจิตมันจะไม่ไม่ฟุ้งซ่างหรือในเมื่อจิตคิดมาก แต่ถ้าเรามีสติสงดรูนน้อยู่แล้วจิตเป็นปกติมีแต่คิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปคิดแล้วก็ปล่อยวางไปความยินดียินร้ายในความตื่นตึจิตเป็นปกติเป็นกลางโดยเทียท่ยงธรรมในลักษณะอย่างนี้แม่จิตจะคิดมาก ก็ไม่เชื่อว่าเป็นจิตปุ่งซันความคิดอันใดที่มีสติรู้ทันทุกขณะจิตแล้วจิตก็คิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมีสติรู้ร้อมทุกขณะจิตความคิดอันนั้นเป็นสมาธิปัญญาเมื่อปล่อยให้คิดไปบางครั้ง จิตของเราจะปรากฏเป็นสามมิติมิติหนึ่งคิดอยู่ไม่จยุดยั้งอีกมิติหนึ่งคอยช้องมองดูอีกมิติหนึ่งมาสงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางของร่างกายจิตตัวที่สงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเป็นจิตใต้สำนึกตัวคอยจิตบผลงาน ตัวคิดเป็นตัวสังขารเป็นปัญญาในสมาธิตัวที่คอยช่องมองดูเป็นตัวเจตสิกคือสติสัมปชัญญะแล้วสจิตเป็นอย่างนี้ความคิดจะค่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปสมาธิละเอียด ความคิดก็ละเอียดตามกันลงไปแล้วในที่สุดจิตอาจจหยุดนิ่งเข้าอัตนาสมาธิรู้ตื่นเบิกบานบางทีร่างกายตัวตนหายไปหมดสมาธิที่มีความคิดเกิดขึ้นไม่หยุดจัง แน้วสติก็รู้พร้อมอยู่ในขณะที่จิตมีความคิดยังแฉมมีความดุเ ด, ดื่มซึมซาบเกิดความอิ่มเอมแล้วก็เกิดความสุขจิตเป็นหนึ่งคือรู้อยู่ที่จิตซึ่งเป็นจุดที่เกิดความคิดความคิดอ น, นั้นคืออะไรจิตไม่ได้สนใจคิดแล้วก็ปล่อยวางคิดแล้วก็ปล่อยวาง ความคิดเป็นวิตกสติรู้ร้องอยู่เป็นวิจารความดูตื่มซึมซาบอย่อิ่มเอมภายในจิตเป็นอาการของปีติเมื่อปีปติบางเกิดขึ้นกายเมาจิตเมากายสงกจิตสงบก็เป็นความสุข คือศบ ข, ขาเวธนาเกิดขึ้นเป็นผลจากปีติเจตก็กำลดรู้ที่จิตคือรู้ตรงที่จุดที่มีความคิดท่องนั้นแล้วไม่ได้วิ่งไปตามความคิดอันนี้เรียกว่าสมีวิตรวิจารปีติสุกเอกับขาา เป็นสมาธิจิตขั้นเดินวิปัสสนากรรมธรรมในการพิจารณาธรรมะเช่ น, นพิจารณาพระไตรลักษณ์เราสามารถพิจารณ์จิตนึกได้ว่าโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจงพุกขังอนัตตาไม่เชี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา อันนี้เป็นแต่เพียงอุบายทำจิตให้สงบกเปก็นสมาธิบางทีเราจเจริญวิปัสสนาพิจารณาแท่เป็นจิตตัเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปหยุดนิ่งเฉยอยู่ความรู้ความคิดอ่านใดๆไม่บางเกิดขึ้นก็ได้แค่สมถะกรรมฐ า, าน เพราะฉะนั้นจะตื่นเข้าใจจิตว่าเมื่อเรานอนจิตพิจารณาธรรมะนอนจิตพิจารณาลงไปพิจารณาลงไปแข่งลงไปแข่งลงไปจนไปถึงขั้นที่จิตสงบนิ่งบางทีอาจจะมีอาการเหมือนจิตหมุนติวติวติวติลงไปแล้วก็หยุดนิ่งตั้ จะฟึ้เข้าใจว่าเราได้วิปัสสนาสมาธิเจตสมนิ่งปักลงไปนิ่งอยู่เฉยๆแม้จะสว่างรู้ตื่นเบิกบานก็ตามแต่แนวทางนั้นแนวทางปฏิบัติเป็นการเจ ร, ริญวิปัสสนาแต่เมื่อเจตสงบนิ่งลงไปแล้วมันกลายเป็นสมถัก ทีนีถ้าหากว่าเรามาพิจารณาอะไรพอจิตมันสมบนิ่งลงไปนิดหนึ่งมันจิ้งอารมณ์เดินที่เราพิจารณาอยู่แล้วไปเปิดความรู้ความคิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติมันอาจจะคิดปุงป้งฟุ้งปุ้งขึ้นมาเหมือนกับน้ำพุที่เราเข้าใจว่าจิตฟุ้งตาม แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเองโดยอาาัตโนมัความเคิียดก็เกิดขึ้นมาเองสติตามรู้ก็เป็นไปเองบางทีมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเคยจิตกำหนดรู้เพียงแค่มีความคิด เ, เท่านั้นถ้าจิตของเราเดินไปอย่างนี้เรียกว่าเดินวิปัสสนา ปิปัสนาซึ่งเป็นเองโดยธรรมชาติของสมาธิปิปัสนาถ้าหากเราตั้งใจนอนนึกคิดพิจารณาอยู่อันนั้นเป็นเพียงภาพปฏิบัติภาพปฏิบัติโดยที่เราตั้งใจเอาทีนี้ถ้าจิตสมบลงไปแล้วความรู้ความคิดก็เกิดขึ้นมาเอ ง, งสติสัมปชัญญะก็รู้ต้องอยู่เอง อันนี้เป็นภาพปฏิบัติวิปัสนาในสมาธิวิปัสนาแต่ยังไม่ใช่ตัววิปัสนาเป็นแต่เพียงภาพปฏิบัติเพราะจิตยังไม่ตัดสินว่าอะไรเป็นอะไรในไม่จิตตามรู้ตามเห็นไป บางทีจิตก็อยู่ในสภาพปกติเป็นกลาไม่ลำเอียงต่อสิ่งที่รู้เห็นขึ้นมาแต่บางครั้งเกิดความยินดีแล้วก็เกิดสุขบางครั้งเกิดความยินร้ายแล้วก็เกิดทุกข์เมื่อมีสติสัมปชัญญะโลภต้อมถูก จิตก็กำหนดรู้สึกลู้ทุกต่อไปแล้วในที่สดจิตจะรู้สึกว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับบางทีจิตสงบนิ่งลงไปว่าสว่างรู้ตื่นเบิก บ, บานอันนี้ก็ยังไม่ใช่ที่ปรัสนาที่แท้จริงแต่เมื่อจิตหยุดนิ่ง พอไว้ตัวพักถอนทุกข์ขึ้นมาอ้อนี่หรือคือทุกข Ariyasat ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความรูร้แจ้งเห็นจริงวันนี้คือทุกข Ariyasat ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้เป็นตุกที่เรียกว่าวิปัสนาความรูร้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมตามความเป็นจริง เมื่อจิตมองเห็นทุนกข์ได้อย่างแจ่มชัดจิตก็ตจะย้อนพิจารณาโคนกระแสกลับบาทุกข์นี้เกิดมาจากไหนแล้วก็จะรู้ต่อไปว่าทุกข์นี้มันเกิดมาจากจิตขาลมอนิสาลมคือความยินดีความยินได้ ความนดีก็คือการตันหาความร้ายก็คือวิภวตตปันหาถ้าจิตไ้โยงหลงดในอารมณ์จิตก็เป็นภาวะตันหาจิตเขาจะมีความรู้แจ้งเห็นทัดบางทีเขาอาจจะรู้ทัดเจ็นยิ่งไปกว่านี้ แต่ในขณะที่เจตยู่ในสมาธิมีความรู้ความคิดอ่านเกิดขึ้นอยู่นั้นเขายังจะไม่ตัดสินว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อิตถอนจากสมาธิมาแล้วเขรู้สึกว่ามีตายความรู้อาจจะบังเกิดขึ้นม่ออกความคิดแต่อาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดพลังงาน ความคิดในการก่อนคลายความคิดเป็นสภาวะเป็นเครื่องหมายให้เรากําหนดรู้ว่าอะไรไม่เที่ยมเป็นทุกเป็นอนาาัตตาความคิดนี่แหละมาช่วยุให้เราเกิดกิเลสอารมณ์เกิดความยินดีเกิดความยินได้เราก็เกิดสุขเกิดทุกข์ในเมื่อเจต้แจ้งเห็นชัดเขาจะบอกว่านี่คือทุกอริย ส, สัจที่พระพุทธเจ้าตรัสสรูสร้ ทั้งสุทั้งทุกขท่านจะจัดเป็นทุกอริยส a s a ถ้าจิตมีความมั่นคงสติปัญญาแข็กล้าเขาก็าจะรู้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตัดอันนี้คือความเป็นไปของจิตที่จะเป็นไปตามคันรองก็มันทีนี้ถ้าว่าจิตไม่เป็นไปเช่นนั้น พาจิตจบพิจาจรณาแล้วมเ็เกิดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบาลร่างกายยังปรากฏตัวตนยังปรากฏแต่รู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบในช่วงนี้ท่าว่าจิตแห่งกระแสออกไปนอกจะเห็นภาพนี้ให้ต่างต่างปรากฏขึ้น บางทีเห็นภาพพระพุทธเจ้าพระอริยสาวกหรือโรบาอาจารย์ต่างๆบางทีก็เห็นผู้ผีดีศา์เห็นผู้พิเศษทั้งหลายเช่นพระอิศวนาลาลัยเป็นต้นเจ้าแม่ควรอินในเมื่อนิมิตมันเกิดขึ้นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติควรจะปฏิบัติต่อนิมิตนั้นอย่างไร เมื่อนิจฟ่านเกิดขึ้นดังที่กล่าวแล้วทางปฏิบัติโครูบาอาจารย์ท่านสอนให้กำหน ด, ดรู้จิตเฉยอยู่เท่านั้นให้รีเบิดกำหนดจิตทำสติให้มัน ม, มั่นคงให้รู้อยู่แต่ที่จิตอย่างเดียวอย่าไปเชิดในใ น, นิจดังนั้ น, น, นระวังจะให้เกิดเอกใจหรือตกใจ ถ้าหากเกเอจใจหรือตกใจสมาธิจะกอนนิมิตจะหายไปถ้าหากสามารถประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกติไม่เปลี่ยนแปลงนิมิต น, นั้นจะอยู่ให้เราได้เห็นนานานานใจรู้ได้เห็นนานนาน <c oughs> ในใจรู้เห็นนานนานถ้านิมิตนั้นหยุดนิ่นนงไม่ไหวติง จิตมองเห็นเด่นทัดแล้วแต่เป็นภาพนี้สมาธิจิตจะยึดมั่นอยู่กับในิมิตนั้นอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เรียกว่าสมาธิได้นิมิตเป็นอุคหะนิมิตแต่ถ้าว่านิมิตนี้มีอันเปลี่ยนแปลงไป ย่อตัวเล็กลงคองตัวใหญ่ขึ้นหรือสลายตัวไปเมื่อหนังพังลงไปเมือ่อจิตมากำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าปฏิภาคนิมิตคือนิมิตที่เปลี่ยนแปลงยักย้ายในพุงที่ เมื่อเจิตมากำหนดหมายในมิควาเปลี่ยนแปลงยักย้ายในคมที่เป็นปฏิภาสนิมิตกำลังเริ่มจะก้าวขึ้นสู่ภูมิปัสตนาอันนี้คือวิธีหาเอาประโยชน์จากนิจฉาสมาธิขอได้โปรดสมัธิวังอย่าไปทํพลาดสาคัญมั่นหมายด้ทําำตามเข้าใจว่า นิมิตเป็นผู้พิเศษที่จะมาช่วยสมาธิช่วยยานเราให้แก่กล้าถ้าไปเผลอคิดไปเผอมีความรู้สึกเช่นนั้นบางทีอาจจะเผลอน้อมเอานิมิตตั้งเข้ามาในตนเผลอน้อมเข้ามาให้นิมิตมาช่วยเช่นเห็นพระพุทธเจ้าน้อมเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาช่วยสมาธิช่วยยาน เมื่อนิยมเราก็ไปเจ้าเข้ามาถึงตัวพอหายเข้าไปในตัวแล้วพวกปฏิบัติจะกลายเป็นการส่งวิญจาณอันนี้ให้ระมัดระวังให้ดีบางท่านอาจจะสอนว่าในบ่เหมีนิยมแล้วให้น้อมข้ามบาตรีตนน้อมข้ามบาในตนท่านจะได้ช่วยสมาธิช่วยญาณของเราให้แก่กล้าขึ้น อันนี่อย่าไปเข้าใจผิดถ้าเกิดน้อมเข้ามาจะกลายเป็นการส่งดินญานทันทีแต่ในขณะที่เจ็ดโรคอาการสามสิบสองเจ็ดเืียงแต่รู้เฉยๆอยู่ไม่ได้ไปนับว่าเกษาผมโรมาขนนักขาเรียกจันตาฟันตะโจดัง แต่หา ก, กิสามารถรู้เองโดยอัตโนมัติว่าอะไรเป็นอะไรเพราะความรู้ความเห็นอันนี้มันอยู่ในขั้นสมถะกระ ร, ะกรมฐ า, านความรู้เห็นในขั้นสมถะกระ ร, ะกรมฐ า, านโดในขั้นสมาธิในฌานความรู้ความเห็นอันนั้นจะไม่มีภาษาสมมติบัญญัติแต่ว่าจิตรู้เห็นทั่วหมดทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วจิตจะไม่ได้ไปนับว่านี่ผมขนเล็บปันหนังถ้าหากตัมองเห็นแล้วสมาธิยังอ่อนๆเราไปตั้งใจนึกขึ้นว่ามาว่า น, นั่นผมนี่ผมนั่นเล็บนั่นปันนี่หนังเป็นต้นพอตั้าางใจนึกขึ้นมาตอนนั้นสมาธิจะตอ่อสิ่งที่เราเห็นนั่นจะหายไปจิตก็กลับคืนมาสู่สภากเหมือนยังไม่ได้ภาวนา แต่ว่าถ้าท่านผู้ใดสามารถกำหนดจิตประคอจงจิตให้ลู้นิ่งอยู่ในท่ากลางของร่างกายทีนี้เมื่อจิตสงบละเอียดตรงไปละเอียดตรงไปสิ่งโล่ไอจางหายไปหายไปในที่ตุกจิตสงบวะเอียดตรงไปถึงอัปนาสมาธิในขั้นที่ไม่มีร่างกายตตน ร, ร่างกายก็จะหายไป ยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานทีนี้เมื่อจิตจะยักยังอยู่ในสมาธิสักครั้หนึ่งเข้าไหตัวออกจากสมาธิพย้อนมารู้สึกว่ามีกายจิยตจึงจะพิจารณาหรือ อ, าอาธิบายสิ่งที่นู่เห็นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสสนา เขาจะพูดขึ้นมาตสอดว่านี่คือผมขนเริ่มปันหนังเรื่มเย็นกระดูกมาม่งหัวใจตกระดั บ, บทังหุถ้าจะรู้ในแง่าสุขะเขาก็จะรู้ว่าร่างกายนี้มีแต่สิ่งกฏิกูลน่าเกื่อโสโครกหรือบางทีร่างตายอาจจะแสดงอาการตายเนอกเอือยผุพังสลายตัวลงไป แล้วจิตก็จะรู้เห็นว่าร่างกายสัตจะว่าธาตุสี่เปนด้านลมไฟแต่บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีซึ่งทงนี้ทงนั้นจิตจะปฏิบัติตัวให้เกิดภูมิความรู้ไปตามพลังของสมาธิสติปัญญาเมื่อเสร็จสมาธิปัญญาประชุมข้อมกันลงเป็นหนึ่งจึงไก ว, ว่าเอกายตญาณุมัคคุปเอตญาณุมัคเป็นทางอันเอก สามาที่จะปฏิวัติจให้ไปสู่ภูมิจิตภูมิทำเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้น้อมไม่ได้นึกส่วนการปฏิบัติอันใดที่เรายัง น, อน้อมยังนึกให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นแต่เพียงภาคปฏิบัติแล้วสมาธิก็ยังไม่เกิดเป็นแต่เพียงแค่ว่าเราควบคุมจิตของเราให้นึกคิดเป็นนั้นได้ตามที่เราต้องการ เนื <c oughs> ่อง า, าว่าท่านผู้ใดในภูมิจิตภูมิใจเอาโถถ็ตรสงฆ์ภูมิของพระพุทธเจ้าอันนี้เราไม่เอาเราไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าแต่ความเป็นไปของภูมิจิตของพระพุทธเจ้า ในมาจิตของพระองค์ไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกางของร่างกายรูอากยวสามจิตสองทั่วหมดจงเกิดมีตาย ก, าย ก, ายกายสิทธาตติสูตรมาให้เราสวดมนภาวน า, านกันอยู่ทุกวันนี้เมื่อจิตเราได้รู้แจ้งเห็นจริงในจริงทัณหาในร่างกายในส่วนต่างๆของร่างกายตามความเป็นจริงจิตสงบละเอียด จนกระทั่งร่างกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวสว่างไสวอยู่จิตของพระพุทธองค์จึงวกเข้าไปสู่สันดาเวททิสกานีโรกเปลว่าเข้านิโรธสมาบัติเส้นแต่งของโลคีญาสมาธิกับโลกุตระสมาธิอยู่ที่นิโรธสมาบัติการเข้านิโรธสมาบัตินี้เป็นการสร้างพลังจิต พลังสมาธิพลังสติปัญญาเพื่อประโดดขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุต ะ, ะเมื่อจิอต้องพระพุทธองค์มีพลังซ้อนจิตดวงนี้เบ่งบานออกมาอีกทีหนึ่งสามารถแทนรัศมีภูมจักรวาลทั้งหมดไม่มีสิ่งใดที่จะปิบดบังดวงจิตดวงนี้ พระอาทิย์พระจันร์ถึงจะสว่างก็สองแสงไปได้เฉพาะในที่ไม่มีที่กไ ม, มกไม่มีสิ่งกำบังแต่เิดของกุก็ลพรรมาสัมพุต้าไม่มีอะไรที่จะปิดบังก่อนเลนสามารถมองเห็นทะลุปุกบ่ปปงมองทะลุจนกระทั่งบาดาลถึงพิพภพขยะาไดา้จึงทาให้พระองค์ตรัสตะลุเป็นโลกับวิภููรู้แจ้งลก ที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นโลกภะพิภูรูร้แจ้งโลกนั้นมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะที่จิตดวงเดียวสง บ, บนิ่งสว่างสวัยอยู่เนือจักสวาลร่างกายตัวตนไม่ยีปรากฏในขณะนั้นมีจิตดวงเดียวล้นล้วนแต่สามารถที่จะ รู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ความสว่างของจิตได้คือตาัสโลเป็นโลกับวิภูผู้รู้แก่งโลกนั้นเองโลกมีอยู่สามโลกยมโลกได้แก่โลกนรกเป็นตนมนุษยโลกได้แก่เดินมนุษยเทวโลกได้แก่เดินของเทวดาตั้งแต่สวรทั้งจาตุง จนจะตั้งถึงสรมมาโลกทั้นอกินิษฐาคมเรียกว่าเ ท, โทา <c oughs> วโลกเท่านั้นพระพุทธองตรัสรู้ในขณะเดียวพอใจทิมตว่ามมองเห็นหมุกต่มองเห็นอย่างนิ่งๆวันวันก็นเเ้าเห็นอะไรแล้วไม่พูดไม่จา แต่เราดูอยู่เฉยๆติดของ เ, เราก็ไปเจ้ากับเช่นเดียวกันรู้เห็นแล้วก็มีแต่นิ่งเฉยรูปเดียวสักแต่ว่ารู้ตักแต่ว่าเห็นแล้วนอกจาก จ, จะสรูรู้แจ้งโลกแล้วก็ยังรู้ความเบิ่อหนายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายรเรีเยก ว, ว่ารูคอดีตชาติของเจ้าองค์เองและสัตว์ทั้งหลาย เพราะการจกิดติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายโลอาศัตว์เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเราเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานิสุตปาปัจจ า, ายานอาสวัตไกยานปุเพนิวาสานุสติยาน จตุ ป, ปาปัสยานอาสะพักอายานพระองค์ปรัรูุในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมยังในเมื่อปรัตตุนัน้งจติตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไวมม้ท้อหมดแต่โอย่างไม่มีความคิดจักแต่ว่ารู้ทำไมจึงไม่มีความคิด ขอให้ท่านลองพิจารณาดูว่าจิตของคนเราเนี่ยถ้าหากไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมือคิดไม่ป็นแต่สามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้รู้เห็นอย่างนิ่งนอันนี้ถ้าใครฟังแล้วไม่เห็นด้วยก็รับไปพิจารณาว่ามันจะเป็นจริงไหม นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนักปฏิบัติสมาธิที่ปัจจาทั้งหลายเนี่ยมักจะกล่าวเสมอว่าสมาธิในขั้นสมถะไม่สามารถเกิดภูมิความรู้ได้จึงคําว่าความรู้เนี่ยความรู้รู้แล้วมันมีภาษาพูดจึงเรียกว่าความรู้แต่รู้แล้วไม่มีภาษาพูดนี่ สักแต่ว่ารู้นิ่งเฉยๆนี่เขาเรียกว่ารู้พราะนั่งจึงทำตามเข้าใจว่ารู้กับความรู้มันต่างกันไม่ใช่อันเดียวกันรู้นี่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเฉยๆความรู้นี่รู้เห็นแล้วพูดใด้ด้วยเห็นคมพูดวละคนเห็นสัตว์พูดว่าสัต์ในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าความรู้ ถ้าเห็นคนก็สัตแต่ว่าเห็นเป็นสัตัแต่ว่าเห็นได้เป็นนิ่งสฉยอยู่อันนี้เรียกว่ารู้มีเพิ่มความเข้าใจอย่างนี้ทีนี้ว่าพระองค์ตรัสโลภโอเคนิบาษารุสติญาณจตูปปาศยญาณอาสัษยายญาณในขณะจิตเดียวตั้งแต่ผสมไม่ยามสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้ซ้อมหมดไม่มีขาดตกบกพร่อง เมื่อเจิตของระองค์ถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วจิตยอ้อนกลับมาถูกความมีร่างกายอีกพอรู้สึกว่ามีกายเท่านั้นสิ่งรู้เห็นทั้งหร ย, ยังเหลือจตความทรงจำจิตรองนี้จึงมาพิจารณาทบควรสิ่งที่รู้เห็นนั้นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสสนา พิจารณาเรื่องปุภูมิวาสานุสสติญาการดเลืกชาติของพระองค์และของสัตว์อื่นคนอื่นจบลงในปคมมายาพิจารณาเรื่องการจุกติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมคำพูดที่ว่ากรรมััตจะไตวิพัสติ การย่อจำแนกสัตว์ให้มีพบภูมิต่างๆกันเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยมนั้นเมื่อองค์พิจารณาการจุดีแล้วเกิดของสัตว์ทั้งหลายจบลงไปแล้วในมัชชิมายามคือยามในถ้ำกรามแล้วก็มาพิจารณาเรื่องอาสวะกิเลสอันเป็นเหตุนให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกันคืออวิชชา ความโูภไม่จริงตอนนี้มาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอาวิชชากัจะยาสร้างฆาณาสร้างฆาระปัจจะยาเห็น ญ, ญาณอาวิชชาความรูภไม่จริงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดตังหาตังข า, งขาเกิดจวิญญาณวิญญาณเกิดตามรูปตามรูปเกิดตาราเจตนาสาราเจตนาเกิดปัสสาะปัสส า, าเกิดเอสนาเบืนาเกิดสัณหาสัณหาเกิด อุปาทานอุปาทานเกิดพกพกเกิดขาดขาดจือความเกิดทำให้เกิดแก่เจตายสศกเศร้าปริเพวนาการพระองคพิจรารณาศกลงในสัจฉิยายาเรียกว่าจเจริญนิ่พัฒนาพอจเจริญนิ่พัฒนาจกลงจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงราระหัตสมัมรรยานตังเกิดขึ้น จากกิเลสอาสวะขาสะบั้นไปในปัจจิมยามจึงได้แสดนว่าอารหังสัมมาสัมพุโทโธพระกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเครืองกิเลสเครงทุกข์สิ้นเชิืงป ร, รัชโลชอบได้โดยพระองค์เองด้วยพระการละชนิอันนี้คือวิถีทางการจารัชโลของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเจริญสรรมฐานอะไรพระพุทธเจ้าเจริญอะะนอ า, าปานุสติกรรมฐานกสิตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะในขณะที่จิของพระองค์อยู่กับลมหายใจพระองค์ก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดมีสติตามรู้ความคิด เรียกว่าจิตตาโุปัสสนะถ้าจิตว่างพระองค์ปล่อยให้ว่างพระองค์ให้จิตของพระองค์เดินอยู่ที่ลมหายใจคว า, ามคิดความว่างลมหายใจคว า, ามคิดความว่างทำให้ธาตของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่นระลึกเขาจะย่อมเขาย่อมจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกปี พลังงานตัวสำคัญก็คือสติในเมื่อสติมีพลังแก่กล้าขึ้นเป็นมหาสติปัฏฐานคือสติที่เป็นเองโดยอัตโนมัติจะตั้งใจก็มีสติไม่ตั้งใจก็มีสติสติตัวนี้จะไปตั้งอยู่ที่ตรงไหนก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัติแล้วจะตั้งอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้ ไปตั้งอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นฐานของสติถ้าเป็นรูปดูที่กายก็เป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐานรู้ปเทเทนาก็เวทนานุปัฏนานสติปัฏฐานรูปที่เจตก็จิตนานุปัฏนานสติปัฏฐานรูปธรรมคือคามิดฐานก็ธรรมานุปัฏนานสติปัฏฐาน หมายถึงเรื่องราวที่จิตคิดถึงเป็นธรรมะตรงนั้นก็จะหนั้นการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาเนี่ยพยายามอย่าเป็นจึกแต่หลักและวิธีการเพียงอย่างเดียวถ้าหากอาจารยจะบอกว่า ในขณะใดที่เรามีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกอยู่ถ้าจิตอยู่กับลมหายใจตลอดไปปล่อยให้อยู่ไปแต่หากบ้างพุ่งจิตว่างปล่อยให้ว่างไปแต่บางครั้งจิตเกิดความคิดปล่อยให้คิดไปแต่มีสติกำหนดตามรู้ มันอาจจะขวางขวางกับความรู้สึกของหลายๆท่านเทียาธรรมนักราชากล่าอย่างนี้ก็ได้รับโอว่าจากหลวงปูเ่เสาหลวงปูเ่เสาบางปีท่านสอนลูกศิษย์สอนโดยปิษณนท่านจะพูดขึ้นมาลอยๆว่าเวลานี้ปิดผ้ามันไม่สมบกมีแต่ฟางคิด ถาถามท่านว่าจิตท่งท่านหรือ ย, อย่างไรท่านอาจารย์ท่านก็จะบอกว่าถ้ามันเอาแต่นิ่งมันก็ไม่เศ้าน้านี่ลองๆพิจารณาดูสิสมาธิที่กล่าวไว้ในคำทีไม่มีอยู่สองอย่างสมาธิก็คือฐานฌานก็คือสมาธิ แม้แม่จิตสงบแน่วแน่อย่งมั่นคงเรียกว่าฌานเช่นอย่างจิตสงบเป็นอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วตอนเนินดำเนินไปตามขั้นตอนมีพิกพิจารณีปิจุกเอกรักษามันก็เป็นสมาธิในฌานแต่ถ้าจิตเดินไปสู่ความยิ่งว่างว่างว่างว่างตลอดไปจนกระทั่งเล็ก สุสมาธิอันนั้นก็เป็นสมาธิในฐานสมาบัติเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเพื่อจิสตสงบแล้วไปรู้นิ่งอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวถ้าไม่มีสิ่งรู้ก็รู้ที่ติดที่กินกานจึงเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานแล้วสมาธิที่มีพิจตุพิจารณีติจตุเอกัคตา เกิดเกิดภูมความรู้ความคิดอ่านขึ้นมาไม่จุดจังแล้วมีสติกำหนดตามรู้อยู่ทุกขณะจิตสมาธิอันนี้เรียกว่าลักคนูปนิชฌานเป็นสมาธิตามแนว า, างแห่งอริยมรรคอริยผลเป็สมาธิที่จะทำให้รู้ความเป็นจริงของสภาวธรรมได้ ต้องมีอารมณ์เป็นสิ่งรู้สติเป็นสิ่ ง, งมีสิ่งระลึกสิ่งภายในที่จิตจะเป็นกาหนดรู้ก็ ค, คือความคิดอ่านที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาความคิดอ่านที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมอันนี้เขามีกฎตายตัวก็เข้าอยู่ว่าเกิดขึ้นชงอยู่ดับไป ภาษาบาลีเรียกว่าอฏิจจังไม่เที่ยงทุกขังตนดูไม่ได้อนัตตาไม่เป็นตัวของตัวดังนั้นสมาธิเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเกิดความรู้ความคิดความอ่านขึ้นมานีกเรียกว่ า, าลักขณูปนิธาอันนี้เป็นโอวาทของหลวงปู่เสาร อว่าคลองหลวงปู่มั่นผีติปูตังท่านได้ อ, อ่านในหนังสือมุตโตไทยวันนี้ก็มีผู้เอาหนังสือมุตโตไทยมาแจากผีติปูตังของหลวงปู่มั่นมีความหมายว่าอย่างไรผีติเนี่ มันอยู่มันไปตรงกับคำในกระสุนธรรมนิยามมัตสุว่าธรรมมัติการตาเพราะความที่จิตตั้งมั่นนิ่งเด่นสว่างสวัยธรรมนิยามตาเพราะความที่สภาวะธรรมทั้งหลายเป็นไปตามคันรองของเขา มีเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาเจตรงนี้นิ่งเด่นอยู่ในถ้ำกล า, างแห่งสิ่งแวดล้อมแต่ไม่มีความหวั่นไหวต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นดับไปมีแต่ความเป็นหนึ่งนิ่งเด่นสว่างสบายอยู่ในถ้ำกลาง สิ่งที่ผ่านเข้ามาเป็นอารมณ์สิ่งรู้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพราะจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งรู้อารมณ์ของจิตคือความยินดียินร้ายเกงไม่บางเกิดขึ้นจิตที่ตรงแต่งก็เรียกว่าสังขารสังข า, าอรอนิจจาสังขารในที่นี้คือจิตที่รุงแต่ง เป็นในความตรุงแต่งของจิตนั้นถ้าเจ็นปรงแต่งขึ้นมาลราจิตไปยึดมัน่นหรือมัน่นในความตรุงแต่งนั้นเป็นสังขาราอภิสาสังขารไม่จิดถ้าตัวไม่เที่ยงก็คือตัวผิตที่ยังมีความยึดมัน่นหรือมัน่นยินดียินได้อยู่นั่นเองอารมณ์รู้สิ่งที่ผ่านเข้ามาเป็นติเพียนเหตุเป็นปัจจัยเท่านั้น ทีนี้ถ้าจิตคิดตรงแต่งแต่ความรู้สึกเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นใกล้ๆกับจิตกับอารมณ์แยกกันออกเป็นคนละส่วนความตรงแต่งของจิตอันใดที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่ยินดีไม่ยินร้ายท่านเรียกว่าวิสังขาร อันนี้เราลองไปพิจารณาดูสั่งแล้วอย่าเพิ่งเชื่อให้สา ย, ยานทดสตอบให้รู้ได้ด้วยตนเองเช่นอย่างในกรณีที่ว่าจจตสมาธิขั้นสมถะสามารถรู้เห็นได้หรือพระพุทธเจ้าตรัสรูเป็นโลกวิภูในขณะที่ติดอยู่ในสมาธิขั้นสมถะ แต่สมาธิอันนี้เป็นโลกุตระสมาธิดนี้ความเข้าใจของพุทธบริษัททั้งหลายเข้าใจว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เป็นพระอรหันตันทีความจริงไม่ใช่เช่นนั้นการตรัสรู้เกิดขึ้นตั้งแต่หัวค่ำตั้งแต่ต้นของปฐมป่าปฐมมยาม จรตสัตว์โลภโลภไปโูรผู้รู้แจ้งโรภเนเกิดขึ้นตั้งแต่ตั้งแต่หัวคาแล้วก็กสัตว์โลภในขณะที่จิตอยู่ในสมถะกรรมฐานที่นึกว่าจิตถอนจากสมาธิออกมาแล้วมาอยู่ในสมาธิอ่อนๆจิตจึงมาพิจารณาครบครอสิ่งที่โลภเห็นั้ำเติมอีกทีหนึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสสนา เพื่อเจริญมิปัฒนาจบจิตยอมรับสภาพ ค, ความจริงอรหัตตมัรคญานบางเกิดขึ้นสัดกิเลสขาดสะบั้นไปในปัจกิมัจจอในลักษณะการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามให้พิจารณาดูเอาเองฟังแล้วไม่เชื่อนั้นดีแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธการใดที่เราฟังเราได้ยินได้ฟังแล้ว เกทโขให้รับฟังไว้ก่อนถ้าว่าตัวเองยังไม่รู้จริงเห็นแจ้งเช่ญญนอย่างได้คําว่าสมาธิสมมถะไม่เกิดภูมิความรู้แต่บางท่านว่าเกิดภูมิความรู้ในขั้นสมมถะนี่ก็รับฟังเอาไว้อย่าไปฟังฟังตามๆกันมาเพื่อตามตามกันมาธรรมธรรมสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย <c oughs> เป็นสิ่งที่พุทธบริษัททุกท่านทุกคนจะต้องพิสูจให้รู้ได้ด้วยตนเองสิ่งใดที่ตนเองยังไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ถึงให้รับฟังเอาไว้ถ้าได้ยินแล้วเรายอมรับสันติทั้งที่เราไม่รู้เรื่องข้โหกถ้าฟังแล้วปฏิเสธก็งโง่ เราจะตั้นต้องพิสูจน์ให้มันรู้ได้ด้วยตนเองเป <c oughs> ็นสมาธิของเราเนี่ยในปัจจุบันนี้วิธีการปฏิบัติสมาธิมันมีอยู่สองอย่างส่วนใหญ่มีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งพอพริกรรมภาวนาแล้วผมจิตลงไปผมจิตลงไปผมจิตลงไปกดปจำต้่งจบนิจจำราน ที่จะนาแล้วข่มจิตลงไปข่มจิตลงไปจกจนคล่อม ท, นทานิชํานานจนสามารถจิดจุดนิ่งได้ทีนี้พอจิดจุดนิ่งได้ความตั้งใจที่จะประคองจิตให้หยุดนิ่งมันยังไม่หายไปสัญญาเตสนายังไม่หายขาดเราก็ไปเข้าใจว่าเราได้สมาธิเสียแล้ว ถ้าเคเข้าใจกันอย่างนี้แม้จะเสือตัวก็ได้สมาธิพิปัสนามันก็แก้ปัญหาจิตไม่ตกถ้าหากว่าจิตลองสู่สมาธิโดยธรรมชาตจริงๆสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิก บ, บานโดยผานเป็นเองของจิตพอมาพกกันรู้เรื่อง ทีนี้ถ้าทำสมาธิถึงขั้นยิ่งฝันจริงๆถึงขนาดขั้นที่มันเป็นเองโดยอัตโนมัติจิตมันจะรู้มันก็รู้ของมันเองจะเห็นก็เห็นของมันเองเราไม่ได้บังคับเงื่นงันก็บ่าเราไม่มีสติที่จะไปควบคุมมันมันเป็นเองไปหมดปราศจากสัญญาเตืนาใดๆทั้งสิ้นทงสิ่ง นี่สมาธิมีปรัสนาแบบนี้มันจึงจะแก้ปัญหาจิตตกที่เราปรนึกเอานึกเอามันเป็นมีปรัสนึกมีปรัสนึกมันเป็นสติปัญญาธรรมดาสติปัญญาธรรมดายากที่จะแก้ปัญหาจิตให้ตกลงไปได้เพราะเราไปยึดแต่สมาธิแต่ชนิดที่ว่าปติปัญดาธรรมดานั่นเองเราจึงเกขาดแจ้งกันอยู่ พูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันแต่ถ้าหากว่าเจตของท่านผูดได้ลงตู่สมาธิเป็นเองโดยธรรมชาติจะสมบเป็นจองอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิหรือจะไปในยานช า, น ข, าขั้นไหนก็ตามจิตเป็นไปเองโดยพลังของสมาธิของสติปัญญาอันนี้มันจึงจะแก้ปัญหาจิตตก ขอให้ข้อสังเกตในการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามที่กล่าวมานี้และเราจะไปเอาสมาธิเฉพาะเวลานั่งหลับตาภาวนาโคโรโคตรโยกน้อยฟ้องน้อยสัมมาระหังเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วไม่สนใจเรานั่งสมาธิวันหนึ่งอย่างดีไม่เกินสองชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมง เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วเราลอยเราไม่ได้สัมรวมจิตสำมรวมใจมันก็ไม่คุ้มค่าสมาธิเราสามารถที่จะทำได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนรับทานอื่มทำทุกคิดขอให้มีสติสัมประชันญรูลตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นการปฏิบัติสมาธิท้งนั้นเมื่อเรามีสติสัมบวรนวังตั้งใจกำหนดตัวอยู่ ในเรื่องทีคิดรัจําบันตลอดเวลาเราหัดติดข้องเราให้มีการสำรวมการสำรวมนั่นแด่คือสี่สี่คือเจตนาที่จะสำรวมระวังแล้วสิ่งข้องเราจะบริสุทธิ์สะอาดเพราะความมีสติทั้งวันระวังอยู่เอาละ ว, วันนี้ขอข่าวธรรมะขอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟัง ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลา